ธรรมะชาดกแผ่นที่11ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าพระอรรร้อยส่วนวันนี้เป็นวันที่7มกราคมพุทธศักราช2005 ร้อยห้าสิบแปดวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราที่หลวงพ่อจะได้พูดกล่าวทำความเข้าใจในเรื่องต่า ง, างๆให้คณะศรัทธาญาติโยมพระของหลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษาการอยู่ด้วยกันเป็นวัดวาศาสนาหรือว่าเป็นหมู่เป็นคณะการอยู่ด้วยกัน เป็นหมู่เป็นคณะถ้าอยู่องค์เดียวไม่มีปัญหาพอหลวงพ่ออยู่องค์เดียวอยู่ยังไงกินยังไงใช้ยังไงไปยังไงมายังไงเพราะอยู่องค์เดียวแต่ถ้าว่าอยู่สององขึ้นไปแล้วต้องมีกฎกติกาว่าการอยู่ด้วยกันเราสององเนี่ย เ, เราจะมานัดพบกันตอนเช้าเวลาเท่าไหร่ เ, เมื่อแสงสว่างขึ้นมาแล้วเราจะต้องไปบินธบาทเวลาเท่าไหร่แล้วมาฉันยังไงแลวก็แยกย้ายกันยังไงไปภาวนากันยังไงถ้าสององขึ้นมาก็ต้องมีกฎขึ้นมาล่ะถ้ามีสามองขึ้นมาก็กฎ ก, ฎกฎ็ยิ่งเข้มงวดขึ้นมาอีกออถ้าเป็นสามสกว่าองอย่างวันเน่นก็ต้องมีกฎ ก, ฎกติกาตลอดถึงคณาธา ย, ยาตยมผู้มาเกี่ยวข้อง ก็ต้องศรัทธาญาติโยมจะอยู่ยังไงอยู่ในระดับไหนสิ่งเหล่านี้พวกเราอยู่ด้วยกันตลอดถึงศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมทำมํำบุญก็ต้องมีกฎกติกาในการมาร่วม เ, เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเพราะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกัน ามากน้อยอกฎกติกาต้องมีแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองที่ได้ศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยูอย่กับ อ, องหลวงตา ท, ที่ท่านบริหารดูแลพระเนรจัตทายาิโยมผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเราต้องถือท่านถือลงตาเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างการจะช่วยสงเคราะห์ อนุเคราะห์มากน้อยอย่างไรแค่ไหนหลวงตาก็มองอช่วยดูแลการเป็นอยู่แต่ถึงอย่างไงก็ตามการเป็นอยู่ที่หลวงตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านก็ให้ด้วยความบำบบางทีก็ให้ความด้วยความาจําเป็นแต่ละคนมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนท่านก็ให้ตามที่มีความจําเป็น แต่บางทีบางครั้งถ้ามีความจำเป็นก็เข้าไปกราบเรียนท่านท่านก็ให้ตามความจำเป็นแต่ถ้าว่าดูแล้วไม่มีความจำเป็นเกินฐานะโดยมากขู่ดุด่าว่ากล่าวดุเลยอย่างบางวัดเข้าไปกับเจาะบ่อน้าบาดาลเสร็จแล้วก่อน ตาไม่จริงก็ต่งใช้เครื่องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แต่พระท่านก็ไปขอเครื่องอสมมติเพื่อจะสูบน้ำด้วยไฟฟ้ า, าแล้วก็ติดเครื่องไฟพอไปขอตอนนั้นแหละเหมือนกับไปอาราธนาเทศทนอ่ทันดุไม่มีชิ้นดีเลย น, น่ะสิ่งเหล่านี้คือหลวงตาท่านจะมอง ความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นท่านก็ให้ถ้าว่าเรามีความสามารถเองเราก็ทต้องทำเองไม่ต้องไปขอท่านแต่ถ้าว่าไปขอจากท่านเรามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความจำเป็นมากเราก็ขอเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามันเกินความจำเป็นเพื่อความสะดวกสบายสําหรับตนเอง หลวงตาจะไม่ให้นะจุดนั้นนะท่านว่าท่านมาฟุ่งเฟือ่อยฟุ่งเฟือยเหลือเฟือ่อยในการจะจะให้จุดนั้นโดยมากจะโดนขูนะ่เพราะนั้นหลวงพ่อเองมาอยู่ที่นี่นะไม่เคยขอไม่เคยเข้าไปข อ, ขปขอทั้งด้านวัตถุจากองค์หลวงต า, าที่ระลึกได้นะนึกย้อนหลังดูไม่เคยที่จะเข้าไปขอว่ากับผมขอนั้นกับผมขอนี้น จากรงตาเว้นเสียลงตามาเห็นท่านถามว่าเฮยังไงมีสระน้ำไหมต้องการสระน้ำไหมดูนะํารวจดูนะครับผมพอเสร็จแล้วก็เออมีอยู่กับผมจะขุดจุดนั้นจุดนี้แล้วก็ข่าแรงเขาว่ายังไงเราก็เตรียมข่าแรงไปด้วยเพื่อติดต่อทางกรรปกรางทางทหาร เขาก็จะให้ช่วยทางน้ํามันค่าแรงไม่มีแต่ค่าน้ํามันแล้วก็กราบเรียนท่านอย่าง ก, กำแพงอะไรก็ตามท่านก็ให้มาเลยสิ่งนั้นที่ท่านจะให้ท่านให้มาแต่เราเระลึกย้อนหลัง ด, ดูเราเราไม่เคยเข้าไปขอในองค์หลวงตาเพราะว่าเราก็ไม่มีความจําเป็น เราอยู่ยังไงก็ได้อยู่อย่างพระอยู่อย่างนักพรตนักบวชไม่จำเป็นที่จะต้องได้ใช้อะไรหรูหรามโอ้อา o R. แต่ถ้ามันมีขึ้นมามันมีขึ้นมาเราทำเราทำรบบริหารจัดการที่มันเกิดมาโดยเป็นธรรมได้มาโดยเป็นธรรมอันนี้เราจัดการเราทำ ไม่ได้เกี่ยวกับท่านแต่ถ้าว่าสิ่งไหนที่ท่านให้มาเราก็รับตามที่ท่านเมตตาให้มาก็หลายๆอย่างเหมือนกันนะนี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์องหลวงตาที่ท่านมีต่อสิทธิานุสิ์แต่สรุปแล้วที่วัดของเราถ้าจะว่าไปถ้าเปรียบเทียบ แต่เราก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบว่าหลวงตารักเราเมตตาเรามากกว่าสงสารเรามากกว่าเราไม่ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเราไม่อยากจะคิดอย่างนั้นอีกต่างหากแต่ว่าท่านก็คงจะว่าเห็นว่าเราอยู่ไกลทางกันดารสมัยนั้นทางเข้ามาลําบากทา่านพก็เมตตาสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ถ้าจะว่าไปแล้วก็วัดของเราก็เป็นวัดใหญ่ เ, เนื้อที่กว้างไม่ใช่วัดใหญ่นะเนื้อที่กว้างท่านก็ เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ที่จะอนุรักษหรือรักษาไว้ท่านก็เมตตาให้อย่างกำแพงอย่างเนี้ยกำแพงใ น, นตัวนี้หระให้ถ้าเป็นคิดเป็นเงินสมัยนั้นก็20กว่าล้านนะเพราะกำแพงยาว6กิโลก็เจ็ดรอกว่าเมตรถ้าทุกวันเนียมันร้อยล้านอาจจะไม่อยู่เพราะโูนเหล็กหินสมัยนั้นมันถูกกว่า สมัยนี้เกือบสองสามเท่าตัวนะเพราะนั้นทายทวาไปกนะ็คือลูกตาท่านอนุเคราะห์นี่แหละมาถึงพอมองเห็นท่านแล้วเราก็ต้องมองเมื่อเรามาอยู่ในระดับนี้เราก็ต้องมองลูกน้องบริวารอีกเหมือนกันควรจะสมเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรมากน้อยแค่ใดอันนี้ก็ทุกคนให้ ด้วยความเมื่อจำเป็น เ, เมื่อจำเป็นจะต้องได้ใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็อย่าให้มันแรงแค้นกันดานลาบากใจจนเกินไปแต่ก็ไมา่ให้ฟุ่งเฟือยเมือฟุ่งเฟ้อเหอเหิมเออไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่สู่วัดวาศาสนาแล้วอยู่อย่างเหลือเฟือฟุ่งเฟือ ย, อ, ย, อ, ย, อ, อ, ย, อ, ยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันแต่อยู่แบบ ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินทุกยากลําบากเกินไปอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกเน่ยจะจะทำยังไงจึงจะพอเหมาะอันนี้แหละสิ่งนี้แหละคือว่าพอเหมาะาถูกต้องเป็นธรรมจุดนีเ้เราต้องหาจุดนี้ เ, เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายาท่านให้ด้วยความเป็นธรรมท่านไม่ได้ความ ฟุเฟ้เฟเหอะเหอะไม่อวดหน้าอวดหลังไม่ให้ทำอะไรให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาลืมตัวให้รู้รู้เท่ารู้ทันแล้วก็รู้จักประมาณตนในการเก็บจับจ่ายใช้สอยเพราะบางทีมันก็มีบางทีมันก็จนบางทีมันก็ขาดไม่ใช่ว่าจะได้เต็มทุกครั้งไม่ใช่ เหมือนกับน้ำโขงน้ำล้างของเราเน่เวลามันมีมันก็เออขึ้นมาเวลามันแห้งเราจะไปร้องไห้ว่าทาไมมันไม่เต็มฝั่งเหมือนแต่ก่อนบางทีแล้วมันเต็มฝั่งกัจนล้นหลามลาคาญเหมือนทำไมมันมากมมยถึงขนาดนี้วะเบื่อมันอีกแต่พอมันมันแห้งไปไปร้องไห้กับมันอีกเลยทำไมมันหมดไป มันมีเราก็รู้ว่ามันมีเวลาจนเราก็รู้ว่ามันจนถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมและต้องมองได้หลายด้านมองได้หลายมุมมองได้หลายเรื่องราวที่สิ่งที่มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นท่าว่าพวกนักปฏิบัตินักภาวนาทั้งหลายไม่เพ่งมองไม่ตรวจตราในสิ่งเหล่านี้แล้วใครจะเป็นคนรู้จักประมาณตน ทําพวกเราไม่รู้จะประมาณตัวบริหารจัดการไม่ถูกนะเดือดร้อนนะเอเดือดร้อนวุ่นวายแต่ก่อนเคยมีเคยเป็นเคยมาอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ออโลกอนิจจังอถ้าไม่รู้ว่าโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตานะถ้าพวกเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเราจะวางตัวถูกนะอถ้าวันเราไม่จัดการไม่ถูกอย่างนี้ละ่ะเดือดร้อนนะอืม ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธทเจ้าสมัยหนึ่งพระสงฆ์เป็นผู้มีฐานะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในกรุงสาวัตถีทันปารลนะพระองค์นี้เมื่อเข้ามาบวชแล้วตั้งอกตั้งใจภาวนาเป็นผู้สนใจอย่างมากเป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ในวัดเป็นผู้เน้นหนัก เน้นเรื่องเรื่องจิตภาวนาหรือหน้าที่การงานจิตเขาจิตจะวัดวัดเป็นผู้สมบูรณ์บวชเข้ามาได้หพันษาพอห้าพันษาแล้วก็กราบลาพระพุทธเจ้าไปบมเพ็ญในป่าคือคือก่อนที่จะออกจากวัดป่าเชตตะวันโดยมากพระต้องหพันษาเป็นนิสัยมุตตะซะก่อนที่ท่านก็ไปภาวนาอยู่ในป่าแบำบเพ็ญไปบำเพ็ญอยู่ในป่า พอไปบำเพ็ญแล้วใจมันถอยเท่าไ่เออใจมันถอยมันเสื่อมออใจมันเสื่อมกลับมาม้านโอ้ผมอยากจะสึกพระทั้งหลายเห็นท่านโอ้ทําไมทําไมท่านจึงจะสึกละ่ะเอ่อไปก่อนที่จะสึกเขาไปกราบพระพุทธเจ้าซะก่อนเออพระสงฆ์ก็เสียดายเสียดายพระที่ท่าน ต้องอกตั้งใจแต่ก่อนหน้านี้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ใส่ใจในการในหลักพระธรรมวินยัยแต่มาทำไมมันหลบอย่างนี้วะเพราะเพราะอะไรแต่นี้พระสงฆ์เลยไปกราบพาพร ะ, พระนั้นไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่ า, วาดูก่อนเธอเออเธอทำไมจึงถอยหลังทำไมจึงหลบแต่ในครั้งก่อนหน้านี้เนี่ย เธอเนี o, ่ยได้รับบัณฑิตนักปราชญ์เป er ็นผู้ชี้นําชี้แนะนะท่านเป็นผู้ได้สวยราชนะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เธอทําไมมาอยู่ในศาสนาของตถาคตเป็นผู้หมดจดขนาดนี้แล้วทําไมเธอจึงถอยได้ทําไมเธอไม่สู้ต้องสู้สิพระสงฆ์ทั้งหลายกับกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ พระองค์นี้สมัยก่อนหน้านี้น่อเมื่อได้รับคำแนะนำจากบัณฑิตนักปราชญ์เขาสู้นะเป็นสมัยไหนพระเจ้าข่าน่พระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระเจ้าแผ่นดินมีลูกถึงร้อยคนนะคงจะเป็นมีภรรยาหลายคนมีลูกร้อยคน แต่พระเจ้าแผ่นดินท่านก็วางแผนพระบิดาเนี่ยวางแผนลกุกลูกคนใหญ่ไปปลุกครองเมืองนั้นรือลูกคนที่สองปกครองเมืองนั้นถึง99้าสิบ้าหัวเมืองเนี่ยที่ให้ไปปลุกปกครองนะแต่ยังยังเหลือคนเล็กนะแต่คนเล็กนี่ได้ได้อาจารย์ดีได้นักปราดดีนะใครเข้ามาเป็นทิศปาโมกอาจารย์เป็นอมาตะ เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยเป็นผู้แนะนำอ่าอัมมาไอเป็นผู้แนะนำพระราชโอรสองเล็กเนี่ยควรปฏิบัติอย่างนั้นควรปฏิบัติอย่างนี้ที่ทีนี้ก็พระราชโอรสองเล็กเนี่ยก็ปฏิบัติตามอาจารย์อาจารย์แนะนำยังไงทำอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เรื่องสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอ่อตอนรับแขกรู้จักสูงรู้จักต่า รู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักแบ่งปันลูกน้องบริวารโดยมากอาจารย์จะสอนคล้ายๆว่าให้มีมนุษย์สัมพันธ์แล้วก็การเป็นอยู่ให้รู้จักาการวางตัวรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรอาจารย์ที่สปร์โมก ค, คนนี้ก็พยายามสอนกุ ม, มารคนนี้กุ ม, มารคนนี้ก็เป็นคน ใยในการศึกษาเป็นผู้มีปัญญาอีกต่างหากฉเฉลียวฉลาดแต่ใ้ทาก็ถามพอต่อมาอพระบิดาก็อายุมากแล้วต่จะสวรรคต อ, อำมาตย์ทั้งหลายก็ถามเป็นความลับว่าเมื่อพระ อ, องค์ปรินิพพาน เ, เมื่อพระ อ, องค์สวรรคตแล้วจะเะเวชชัดหรือว่าราชสมบัติจะยกให้ ลูกคนไหนหนอพระกุมารคนองไหนหนอพระเจ้าข่านะพระเจ้าแผ่นดินท่านก็บอกอืมสุดแท้แต่อมาดทั้งหลายผูดแท้แต่พวกท่านทั้งหลายเห็นสมควรว่าจะยกให้กับใครก็ได้ที่เป็นที่ยอมรับยอมรับกันในในกรุงทุ่นทุ่นหน้ากันแล้วก็นควรจะยกให้องค์นั้นแหละท่านของท่าได้บอกว่าให้องค์นั้นองค์นี้นะพระบิดานะ หลังจากนั้นกษัตรรยัคตไปพอสวัรนคตไปพวกอํมมาดทั้งหลายก็เลยอือเนี่ยพระกุะะมารองค์เล็กเนี่ยองค์จุดท้องเนี่ยเข้ากับประชาชนได้ดีเข้ากับอะไรได้ดีลักษณะอย่างนั้นเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดคนในเมืองเขาก็เลยทำหน้าที่ก็เลยยกให้าหาหาราชโอนราชโอรสองเล็กทีนี้พวก พระเจ้าพี่ทั้งหลาย99้าคนนะน้าหัวเมืองนะไม่พอใจจากนั้นก็ยกทัพมาเลยยกทัพมาทัง99้าหัวเมืองมาล้อมเลยมาล้อมบอกว่าจะออกมารบหรือจะยอบหรือจะมอบพระราชสมบัติให้แต่โดยดีถ้าจะออกมารบก็มารบได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้อง มอบราชสมบัติให้แก่พวกเรานะคือยื่นคาขาดเข้าไปเลยพระเจ้าพี่ทั้ง99้าเคนทางปรโรหิตตาจานอัมมาศก็บอกว่าจะทำยังไงในะบ้านเมืองลักษณะอย่างนี้นะอัมมาศปโรหิตตาจาย์ก็บอกว่าให้พระองค์แบ่งเมืองเนะี่ยให้เป็นร้อยส่วนเลย เออต้องการแล้วก็แบ่งแบ่งหมดร้อยส่วนแบ่งให้ทุกคนเออไม่ให้เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระบิดาทุกคนก็ต้องแบ่งให้ทุกคนมากน้อยก็ต้องแบ่งให้ทุกคนแต่นี้พระทั้งน้องชายที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้รับสเสวตชัด ร, ราชสมบัตินี่ก็ส่งสารไปถึงพระเจ้าพี่ทั้งหมดเออผมยอมยกราชสมบัติ แบ่งกันในพี่น้องเพอาเราเป็นพี่น้องกันเราต้องแบ่งกันให้ทั่วถึงให้เฉลี่ยกันให้ทั่วถึงถึงร0 0ถึงร้อยส่วนแบ่งกันเป็นร้อยร้อยทีขอให้พระเจ้าพี่เข้ามาทุกคนเข้ามาในเวียงหวังจากนั้นก็เปิดประตูเมืองเข้ามาพระเจ้าพี่ใหญ่เขาเข้ามา เขามาก็แสดงความเคารพเพราะว่าผู้นี้ได้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละพวกพี่ก็ต้องแสดงความเคารพตามขั้นตอนนั่งเรียงลำดับพอเรียงลำดับเสร็จแล้วก็น้องชายก็บอกว่ากระผมถึงได้รับเป็นเวตสัตเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้รับมาแล้วแต่กระผมเองก็มอบให้พระเจ้าพี่ทั้งทุกคนมีส่วนแบ่งเพราะ ผมเองเห็นว่าพวกพี่ก็เป็นลูกของพ่อเหมือนกันมีส่วนที่จะได้ทั่วถึงกันควรจะแบ่งให้ทั่วถึงกันแต่นี้เมืองพราณาศีปกครองเป็นตึงร้อยหัวเมืองเลยจะทํำยังไงใช่ไหมปกครองเป็นจังหวัดจังหวัดมันก็ยังพอทำเนาแต่นี้ปกครองเป็นร้อยหัวเมืองนี่มันไม่ใช่ธรรมาดาเลยนะพระเจ้าพี่ชื่อ พ, พระอุโบสถนะชื่อพี่ชายใหญ่ ก็บอกเออน้องชายของเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วถามด้วยว่าการบริหารจัดการของของของน้องเนี่ยทายังไงน้องชายก็บอกว่าผมอได้รับมาจากพระอาจารย์บอกว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักสูงรู้จักต่ำให้ให้รู้จักแขกบ้านแขกเมืองให้รู้จัก สถานะลูกน้องบริวารข้าทาสบริวารลูกน้องควรจะแบ่งปันยังไงก็ผมเฉลือเพื่อแพ่ให้ทั่วถึงกันครับผมพระเจ้าพี่พระเจ้าพี่โอเนี่เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเชีย่ยแปลมเอาเท่านั้นน้องๆทางหลายนะผ ม, มเป็นพระเจ้าพี่ถ้าเราจะแบ่งกันก็มันก็เท่านั้นล่ะ เพราะเราไปเป็นลูกของพ่อด้วยกันผมว่านะยกให้น้องฉันนะให้น้องปกครองท่านพวกเราออกไปปกครองหัวเมืองที่พระบิดามอบให้แต่ละหัวเมืองก็แล้วกันนะต่างคนก็จะออกออกไปถ้าเราจะแบ่งกันคิดดูให้ดีสิมันจะเป็นยังไงมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นในตระกูลของพวกเราไม่เป็นผลดีเพราะนั้นพวกเราอยู่ตามหัวเมืองต่างๆก็เป็นที่ การบริหารจัดการกับพ่อเป็นพ่อไปอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ้อาวเห็นด้วยไหมพระเจ้าพี่ทั้งเก้าสบ้าคนก็เห็นด้วยก็เลยยกมอบให้เวีฉชัดให้น้องชายคนเล็กบริหารจัดการต่อไปนี่แหละาชาดกในเรื่องนี้พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยนะสมัยนั้นอะ่ะเธอเนี่ย เ, เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครอง แต่เราเนี่ยเป็นทิศปาโมกอาจารย์เราเป็นผู้ให้คําแนะนําจนเธอได้เป็นเป็นผู้คลองราดในยุคสมัยนั้นแต่มาบัดนี้เธอจะอ่อนแอถอยหลังได้อย่างไงต้องสู้แต่ทํายังไงจึงจะเอาชนะกิเลสภายในใจของท่านให้ได้ต้องสู้อย่าถอย เ, ออเพราะเกิดมาในในชาตินั้นเราเพียงเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ยังไม่ได้ผู้ตัดรู้ เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างชาตินี้แต่ชาตินี้เร า, เราตถาคตเป็นขนาดนี้แล้วเธอจะไปถอยหลังได้อย่างไงฮะเออแต่นั้นพระองค์นั้นก็เลยตั้งใจสู้ใหม่ท่านก็ภาวนาจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละสรุปแล้วก็คือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้แบ่งปันให้เฉลี่ยเหลือเผื่อแผ่เอออย่าไปยึดมั่น ถือว่าตัวเองได้แล้วกัเป็นผู้มีอํานาจแล้วก็มองไม่เห็นหัวพี่หัวน้องหัววงศาร์ข้านาญาติหัวพี่พี่ทั้งหลายใ น, ในหลักธรรมคําสอนของพทธศาสนาโดยมากจะให้เฉลือเผือแพ่กันใครสมควรที่จะได้อย่างไรควรจะแบ่งกันอย่างที่พระกุมารองค์สุดท้ายแบ่งสมบัติให้ยอมยกสมบัติให้พี่ทั้งหมดแบ่งกันนี่แหละ อันนี้ก็เหมือนในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาในการบริหารจัดการถ้ามันเป็นธรรมแล้วนะมันจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่วัดวาศาสนาใดประเทศชาติบ้านเมืองใดถ้ามีการแบ่งปันกันเคารพสูงต่ำให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตอ่อซึ่งกันและกันชมชนในกลุ่มนั้นประเทศชาติในกลุ่มนั้นก็จะ มีแต่ความพร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างเข้าไปชนเข้าไปแล้วน่ะไม่ฝ่ายใดก็ต้องฝ่ายหนึ่งจิบหายกันต้องสองฝ่ายถึงจะเป็นฝ่ายชนะก็เถอะก็สะบักสะบอมไปเอจนจะตั้งตัวไม่ติดนผลที่สุดเพียงพัําไปแล้วก็ ไปหาที่ตายอีกเหมือนเก่าเนอะเพราะเหตุไรพเพรามันสู้กันจนพอแรงแต่ถ้าว่ามีเมตตาต่อกันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันแล้วเฉลือเผื่อแผ่แบ่งปันกันแบ่งปันกันโดยเป็นธรรมแล้วควา ม, มร่มเย็นเป็นสุขมันมีมากจะทำยังไงก็ต้องมีแบ่งบรรตา ม, มากทามันน้อยจะทำยังไงก็ต้องแบ่งกันตามน้อยน้อยกับมาก ถ้าว่าคนมีที่มีสติมีปัญญาก็มองเห็นด้วยกันแล้วนะีแต่ความพาสุกนะ่ะนี่แหละอันนี้คือเรื่องการบริหารจัดการต่อชุมชนสังคมประเทศชาติต่อโลกยุคนยุคนยุคสมัยใดถ้าว่ามีการเลื่อเผื่อแผ่มีการมีน้ำใจต่อกัน โลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยยันก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพรา ะ, ะนั้นก่อให้พวกเราทุกๆุกท่านนะที่ได้ยินทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นพระต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าคณะสัทธทาญาชนโยมโลูกหลานก็เหมือนกันมีจะเป็นผู้ใหญ่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปยึดเอาแต่ตัวคนเดียวไม่ยอมเห็นหัวพี่ ห, หัวพี่หัวน้อง หัววงศาคนาญาติวงศาคณาญาตินั่นแหละความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มนั้นๆนะตอนนี้ไปพระสงฆ์หัวธนาให้พร